นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาพออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมธรมาพระภัยบุญอภิปุนโนทุกศสาร์เขาจะมากับคุณหมอนนรัตพงศ์ครับกล่ำรับสการและก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับกระผมนันตแพทย์นัทพงศ์กหนกวิรุณจากกรุงเทพครับตอนนี้ตอนที่ที่44แล้ว44ครับ เ, <อ>เลขสวยครับก็ <laughs> <c oughs> จะพูดถึงเรื่องที่เราได้พูดถึงไว้ตอนที่แล้วตอน43นิดนึงจะขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกั บ, รบเรื่องที่สติ ใช่ไหที่แปลว่าความระลึกได้แล้วมันต่างกับความจําบางทีเราก็หลงหลลืมลืมอะไรบ้างใช่ไหมมันต่างกับสัญญายังไงอย่างเงี้นะก็จะพูดเพิ่มเติมจากข่าวทีไรนิดนึงที่เราอธิบายไว้ว่าสติเนี่ยคือความระลึกได้นักวิชาศาสตร์สมัยปัจจุบันเนี่ยเขาทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความจำนะที่แปลว่า memory ใช่ไหมถ้ามันจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่จดบันทึกลงไปคือ register ลงไปนะกับส่วนที่เก็บข้อมูลไว้คือ storage แล้วก็ส่วนที่3คือ recall คือดึงออกมาเพราะนั้นไอ้ความจำเนี่ยคุณจะความจำดีความจำไม่ดีคุณต้องมี3อย่างนี้ครับทีนีเ้เราก็ได้อธิบายไปว่าไอ้ส่วนที่เก็บลงไปกับส่วนที่ register ลงไปกับส่วนที่ restore เนี่ยออย่างนี้คือสัญญาอย่างสมมติเราเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนใช่ไหมเรารับรู้คำว่าคำนี้ <c oughs> มิงบี้เนี่ยแปลว่าปากกาอย่างเงี้ย เราก็ต้องจําไว้เป็นจดบันทึกลงไปคุณจําได้นานจาได้น้อยจําได้มากก็คืออยู่ส่วนที่เก็บข้อมูลไว้แต่ละการที่เราจะระลึกถึงคํานี้ได้นั่นแหละคือส่วนที่เป็นสติส่วนที่ recall เนี่ยคือส่วนที่สติอือระลึกได้ครับเพราะฉะนั้นความระลึกได้บางทีเราอาจจะลืมนั่นลืมนี่ใช่ไหมอย่างเช่นลืมทางกลับบ้านอย่างคนขับรถไปธรรมดาเนี่ยเขาปราก บ, บว่าเขามีสติอยู่ในลมหายใจเขาระลึกถึงลมหายใจอยู่ตลอดเวลา นึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆแต่เขาไม่ได้นึกถึงว่าทางกลับบ้านเขาต้องเลี้ยวตรงนี้ขับผ่านทางกลับบ้านตัวเองก็ได้แต่มีสติอยู่ในลมหายใจเพราะฉะนี้มันจะเป็นคนละระดับกันใช่ไหมอย่างครูบาอาจารย์บางทีท่านแก่มากแล้วปดสิบเก้าสิบอย่างเงี้ย ล, ลืมนั่นลืมนี่แต่ว่าไม่ลืมลมหายใจมั น, ม, นมันจะต้องพูดอย่างนี้ให้ให้เข้าใจตรงกันสัญญาอาจจะเลื่อนลางไปบ้าง สัญญาในคําเทศคําสอนการใช้บทเพียนชนะอาจจะจืดจางลื่นลางไปบ้างแต่การระลึกการระลึกถึงบางทีระลึกเรื่องที่มันจืดจางไปมันจะไประลึกได้ยังไงก็ใช่ไหมอย่างสมมติไอ้ส่วนที่เก็บข้อมูลอยู่รีสตาร์เนี่มันหายไปแล้วอะ่ะเซลล์สมองมันแก่มากแล้วมันถูกทําลายไปบ้างอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นจะไประลึกถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยโอ้ยมันระลึกไม่ได้หรอกเพราะมันถูกลบข้อมูลไปแล้วะนะ แอย่างฮา ด, ดีิที่ถูกลบข้อมูลไปแล้วจากเซกเตอร์ไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไปหาไม่เจอนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไประลึกถึงสิ่งที่มันไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่<ช>ระลึกถึงตรงเนี้ยสติตรงนี้ ม, นมันมีหลายระดับไงอที่จะมาอธิบายเพิ่มเติมในคราวนี้คืออ๋อครับเอคือว่าอย่างบทเพียงชนะสิ่งที่เป็นคําพูดอย่างเงี้ยบางทีมันระลึกไม่ได้เพราะว่ามั น, ม, นมันเลื่อนไปแล้วนะฮาร์ดดิสถูกลบข้อมูลไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือว่า เป็น b a s เซกเตอไปแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าคนคที่เข้าใจคอมพิวเตอร์เนี่ยฮาร์ดดิสมันจะมีส่วนที่เรียกว่า b a d Se กเตอรคือข้อมูลมั น, มนผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นจะไปเรือลึกถึงตรงนี้มันก็ะลึกไม่ได้แต่สิ่งที่ระลึกได้คือสติอยู่กับจิตสติอยู่กับลมหายใจอย่างนี้ระลึกได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ค, คือยอย่างบา ง, งเรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้มีการกำหนดบทเพลงชนะไว้อย่างคาถามที่ถามอาตมาบางอย่าง อาตมาไม่ได้กําหนดไว้ในล่วงหน้าว่าเราจะต้องตอบอยังไง mm hmm. อืเพราะนั้นเราไม่มีสัญญาหรือว่าการเก็บข้อมูลไว้ก่อนเกี่ยวกั บ, บว่าคําถามบานี้เราต้องตอบอย่างนี้ไม่มีแต่เรามีสติอยู่ในจิตใช่ไหเพราะเรามีสติอยู่ในจิตเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่เป็ น, ปนบทเพลงชนะมันไม่ได้เป็นคําพูด่นะสติที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นในเรื่องของคําพูดอย่างเช่นอายุตัวอย่างอย่างนึกถึงชื่อคน หรือนึกถึงคําศัพท์ภาษาต่างประเทศเนี่ยมันต้องเป็นบทเพลงชนะซึ่งความละเอียดของการที่เราเอาระลึกถึงจิตเนี่ยมันละเอียดกว่ามากแล้วพอเรามีสติอยู่ในจิตใช่ไหมมันจะพูดออกมาเป็นคำคำหนึ่งได้ครับอ่าอย่างสมมุติว่าจิตของอาตมาก็จิตเหมือนกับจิตคนที่พูดภาษาไทยไม่เป็นอ่ะเหมือนกับจิตคนต่างประเทศจิตคนแอฟริกาจิตคนอเมริกาแต่จิตเหมือนกันเพราะนั้นไอ้จิตตรงเนี้ย มันจะมีเครื่องมืออะไรออกมาใช้นะมันก็จะออกมาใช้สมมติคุณมีภาษาไทยใช้คุณก็ใช้ภาษาไทยกูมีภาษาอังกฤษใช้คุณก็ใช้ภาษาอังกฤษคุณมีภาษา ญ, ญี่ปุ่นใช้คุณก็เอาภาษาญี่ปุ่นลงนี่ไม่ใช่อ่าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสติรักษาจิตระดับลึกลงไปอีกคนละระดับหนึ่งครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราขับรถอยู่เราจะได้เฮ้ยตรงนี้ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเลี้ยวเข้าเลยอโดยที่เราไม่ต้องระลึกถึงทางกลับบ้านอยู่ตลอดเวลาแต่เราระลึกถึงจิตอย่างเดียว มันจะพลิกผันออกมาได้เป็นอย่างนั้นไงเหมือนดึงมาใช้ได้ทันทีอตอนที่สี่สิบสองที่เราพูดถึงว่าให้มีสติรักษาจิตนะใช่ครับที่ว่าถ้าเรามีสติรักษาจิตแล้วเนี่ยเจอสิ่งใดมันก็จะพลิกผันออกมาเป็นสิ่งนั้นที่ดีอย่างเช่นเจอแม่เจอพ่อก็พลิกผันออกมาเป็นความกตัญญูเกิดตเวทีโดยที่เราไม่ต้องระลึกถึงความกตัญญูเกิดต่เวทีตลอดเวลาแต่เราระลึกถึงจิตตลอดเวลาอืหรือเจอหนังสือเจอข้อสอบ เอเราก็ไม่ต้องระลึกถึงท่องไอ้ที่เราท่องมาเป็นหลายๆเล่มทางหน้าอ่าเราระลึกถึงจิตเราอย่างเดียวเจอข้อสอบปุ๊บมันผ่าออกมาได้อย่างกรณีอตมา ต, ตอบคาถามเงี้ยเรามีสติอยู่ในจิตของเราอย่างเดียวเนีเรารไม่ต้องเล่นไปตามความรู้ที่เรามีมาทั้งหมดไม่จําเป็นอย่างนี้เปน็นตะ้นเนา ะ, อ, ะอันนี้คือเรื่องของมีสติไม่ลืมหลงอคุณหมอทัศพลมีคําถามอะไรไหมเกี่ยวกับในเรื่องนี้ เรื่องนี้ก็ไม่มีครับท่านแต่ว่าเนี่ยพอท่าอธิบายก็รู้สึกว่าเออมั น, ม, นมันมันมีส่วนที่เป็นองค์ประกอบ<ป>ย่อยๆอยู่ใช่ใช่ครับเพราะฉะั้นคนที่บอกว่าเราหลงห ล, ลืมลืมนู่นนี่เนี่ยนะมันจะไม่ลืมมากเท่าไหร่หรอกถ้าเรามีสติอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ย บ, บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ถึงแม้จะถูกถามไปด้วยเตียงน้อยๆอายุ8090ปีก็แล้วแต่เนี่ยจากการเกิดเนี่ยปฏิ ป, ปทาในการตอบคําถาม อะไรต่างๆก็ว่องไวฉับไวไม่ไม่เลือนลางไป <Okay. S 1> เออจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราสามารถเอาจิตของเราเป็น อ, อให้อยู่ในมีสติอยู่ตลอดอนะมันมีเครื่องมืออะไรมันจะหยิบมาใช้ได้อื mm hmm. มันก็จะสามารถตอบคาถามได้มีปากก็ยังพูดได้ถ้าถ้ามันหลอดเสียงไม่ทํางานแล้วก็คงจะพูดไม่ได้ละ่ะหรือถ้าแขนไม่ขยับแล้วก็คงจะใช้งานไม่ได้ละ่ะแต่ถ้ามีอะไรขยับมันก็จะต้องใช้งานได้ต่อไปอืม mm hmm. นี่คือจิต <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่ตลอดนะอย่างที่พุทธเจ้าให้มีสติรักษาจิตเหมือนถูกเพชรคาตเดินตามหลังอยู่เนี่ยเราถือหม้อน้ามันอยู่เนี่ยเราจะารักษาจิตผ่านไปได้ทุกอุปสรรคแหละจริงพูดถึงอุปสรรคที่เราพบเจอกันอยู่ตอนนี้ในเรื่องของ <นำ S 2> ทุกท ว, วันนี้ก็คือเรื่องน้าท่วมคนที่บ้านโดนน้าท่วมแล้วฟังให้ดีเอาลองเอาถังมาสักถังหนึ่ง <ข> <S <S คุ้งถังภาษาอีสานเขาเรียกว่าคุ้งภาษาไทยเขาจะเรียกว่าถังเอาถังมาจะเป็นถังใบเล็กก็ได้ใบใหญ่ก็ได้ที่เราพอจะหิวน้ําได้เราจะหิวได้บางคนตัวเล็กหน่อยก็เอาถังเล็กหน่อยบางคนตัวใหญ่หน่อยก็เอาถังใหญ่หน่อยเอาถังมาทําอะไรเอามาตักน้ํำดู่ตักน้ําที่ท่วมอยู่ในบ้านเราตางออกวิดออกใช่ไหมถังหนึ่งนี้ก็คงประมาณสักห้าลิตรเนาะห้าลิตรหลิตรบางที บ, บางถังสิลิตรบางคนตัวเล็กหน่อยอาจจะใช้ถังสมลิตร ก็วิดน้ำออกไปลองลองดูที่ว่าปริมาณน้ําในที่เราวิดออกไปเนี่ยมันก็เท่านั้นนะห้าลิตรนะโดยประมาณถ้าเราเอาถังน้ําที่อยู่ในถังหนึ่งเนี่ยตักน้ําที่ท่วมอยู่ในบ้านของเราใส่ถังใช่ไหมเราสมพบว่าโอ้โหปริมาณน้ําที่อยู่ในถังนี้มันน้อยกว่าปริมาณน้ําที่ท่วมอยู่ในบ้านมากแ น, น่นอนอสําหรับคนที่นะท่วมขึ้นมาแล้วอนะครับใช่ครับลองลองดูว่าน้ําสมมติน้ําสูงยีสซนติเมตรหรือสาิเซนติเมตรเนี่ยนะแล้วก็อนาเขตบ้านบ้านเรามาวัดดู มันก็จะมีปริมาณมากกว่าน้ําที่อยู่ในคูถังใช่ครับทีนี้เราพอเราคํานวณปริมาณน้ําที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยปริมาณน้ําที่อยู่ในคูถังน้อยกว่าปริมาณน้ําที่อยู่ในบ้านใช่ไหมปริมาณน้ําที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันน้อยกว่าปริมาณน้ําที่ท่วมอยู่นี้แน่นอนใช่ไหมปริมาณน้ําที่ท่วมอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นหมื่นหมืล้านลูกบาศเมตรอืมเขาว่าอย่างนั้นนะนะโอ้ยมันไปท่วมบ้านเราไม่พอมันยังท่วมบ้านคนอื่นอีกท่วมบ้านกรือยังไม่พอมันยังท่วมจังหวัดอื่นอีก ท่วมจังหวัดอื่นยังไม่พอยังไปท่วมภาคอื่นอีกนะเพราะว่าปริมาณน้ํามันมากอยู่บนพื้นผิวก่นนะบางทีท่วมสองเมตรบางทีท่วมถึงเข่าถึงอกอะไรก็ว่าไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปริมาณน้ำที่ท่วมอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับปริมาณน้ําที่อยู่ในแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําเจ้าพยาและแม่น้ําบางปะกงรวมกันจนไปขึ้นขึ้นไปถึงต้นกำเนิดแม่น้ํามันนะนะปริมาณน้าที่อยู่ในแม่น้ําทั้งสามนี้รวมกันเนี่ยยังมากกว่าปริมาณน้าที่ท่วมอยู่ณปัจจุบันนี้ อะไรเพราะว่าความที่มันมันลึกไงมันมีความลึกใช่แต่ไอันน้ำที่มันท่วมอยู่เราเห็นว่ามันมากเนี่ยเพราะมันมันบนพื้นผิวอมันนิ่งเพราะว่าน้ํามันล้นออกมาจากแม่น้ําพวกนี้ต่างหากมันถึงท่วมเราแต่ว่าน้ําที่มันล้นมาจากแม่น้ําพวกนี้นะมันมากกว่านั้นมากนะเอาไปปริมาณแม่น้ําน้ําที่อยู่ในแม่น้ําเนี่ยมันมากกว่าปริมาณน้ําที่ท่วมอยู่นี้แน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอแม่น้ําทั้งสามสายเนี่ยนะมันจะไหลลงทะเล พป ร, ริมาณน้ําในอ่าวไทยเนี่ยเอายังไม่รวมที่เขามาเถียงกันว่าเป็นของกัมพูชาหรือเป็นของมาเลเซียนะเอาที่ที่เขาไม่เถียงกันว่าเป็นของใครเป็นของไทยอย่างเดียวนําปริมาณก็จะลดลงมาอีกนะปริมาณน้ําที่อยู่ในแม่น้ํำในอ่าวไทยเนี่ยต้องมากกว่าปริมาณน้ําที่อยู่ในแม่น้ำสามสายรวมกันแน่ใช่ครับคฮะทีนี้ถามว่าปริมาณน้ําที่อยู่ในอ่าวไทยเฉพาะที่ไม่มีเรื่องว่าเป็นของดินแดนคนอื่นเนี่นะไปเปรียบเทียบกับมหาสมุทรทั้งสี่ นะคือแปซิฟ i c a าร t ติก t อนต t ร์ออะไรทั้งหมดเนี่ยอินเ a n ทุกหมด yeah, มารวมกันหนึ่งบทเนี่ยนะโว้ยรปริมาณ น, น้ำในอ่าวไทยเนี่ยน้อยกว่านั้นมากนะ hmm. อ่ะแล้วเรามาดูว่าสมมุติเราน้ำท่วมบ้านเราอะ่ะ <c oughs> แล้วเราร้องไห้เสียใจนะถามว่าไอปริมาณ น, น้ำตาที่เราร้องไห้เสียใจจากการน้ำท่วมเนี่ยนะมันเท่าสักคุถังสักถังหนึ่งไหม ไม่เท่าครับบางคนก็ส่วนใหญ่อาจจะไม่เท่านะบางคนร้องไห้จนกระทั่งไม่มีน้ําตาแล้วนะหมอรัตพงศ์เสียใจโอ้โหแค่คไม่ใช่ข้าวของเขาเขาถูกพังทําลายไปนะ้คนจัดการนี่ก็ไม่มาช่วยมา พ, พอจะไปเอาถุงยางชีพบอกไม่มีประชาชนไม่ให้อยเขาก็เสียใจมากอ่ะร้องไห้จนกระทั่งไม่มีน้ําตาครับบางคนหรือเจอเหตุการณ์เศร้าโศกใดๆบางคนลูกหลานถูกไฟช็อตจมน้ําตาย ยิ่งร้องไห้หนักเขาอีร้องไห้จนไม่มีน้ําตาต่อให้มันได้สักคู่ถังหนึ่งก็ตามเอ้าได้ถังหนึ่งได้ถังหนึ่งห้าลิตรนะหมอระพงซึ่งเอาสักคูถังหนึ่งเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าปริมาณน้ําที่ยังท่วมอยู่ในบ้านเราอืมันก็ยังน้อยกว่าปริมาณน้ําที่ท่วมอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ยังน้อยกว่าปริมาณน้ําที่อยู่ในแม่น้ำทั้งสามสายยังน้อยปริมาณน้ําในอ่าวไทยยังน้อยปริมาณน้ําในมหาสมุทรทั้งทั่วโลกรวมกัน อาจารยมาจะบอกให้ถ้าสมมุติว่าเราต้องมาเกิดอีกนะแล้วเจอถ้าเราอาจารย์มาบอกงี้นะบอกว่าถ้าเราจะต้องมาเกิดอีกนะแล้วก็เจอเฉพาะในทุกทุกชาติที่เกิดนะไม่ต้องเอาทุกชาติก็ได้เอาเฉพาะ ช, ชาติที่จากนี้ต่อไปนะถ้าสมมุติเราจะต้องมาเกิดอีกเอานับเฉพาะชาติที่เกิดแล้วต้องเจอปัญหาน้ําท่วมอ๋อเป็นคะือเป็นมนุษย์ อ, อ๋อเป็นมนุษย์เนี่นอนละเป็นเทวดาจะไม่เจอพวกนี้พอเกิดเป็นมนุษย์แล้วเจอเฉพาะปัญหาน้ําท่วมแล้วร้องไห้ ร้องไห้จากปัญหาน้ําท่วมที่ต้องมาเกิดจากนี้ต่อไปในอนาคตอนะนะอนาคตชาติะแล้วเอาน้ําตามารวมกันอาณาจักบอกให้ว่าถ้าคุณยังต้องไปเกิดอีกสักหนึ่งกับนะหนึ่งกับแล้วนับเฉพาะชาติที่เกิดเป็นคนนับเฉพาะชาติที่เกิดเป็นคนแล้วมีน้ําท่วมนับเฉพาะชาติที่เกิดเป็นคนมีน้ําท่วมแล้วร้องไห้เอาน้ําตานั้นมารวมกันรวมกันรวมกันรวมกันนับจากนี้ไปมีชาติไหนจะเกิดเป็นคนอีกเอานับตาน้ําตามารวมกัน คนเป็นคนเฉพาะปัญหาน้ำท่วมนะปัญหาอื่นไม่เอาถ้าชาตินั้นเกิดมาไม่มีน้ำท่วมก็ไม่นับเอาชาติอื่นอีกนะรวมกันทั้งหมดเนี่ยหนึ่งกับเอาน้ำตานี้มารวมกันแล้วเอาไปเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่นะยังน้อยกว่าอีก ยังน้อยกว่าจํานวนชาติที่เราจะต้องไปเกิดหนึ่งกับแล้วเจอปัญหาน้ําท่วมมีน้ําตาไหลเอาน้ําตามารวมกันไปเปรียบเทียบกับน้ําทะเลแมร์ม า, าสมุตรทั้งสี่น้ําทะเลในม า, าสบุตรทั้งสยังน้อยกว่าอีกโอ้โหแสดงว่ามันความมากมายมหาศาลของหนึ่ง ก, กับนี้มันมากนะมากมากเพราะฉะนั้นถ้า ค, คุณถูกน้ําท่วมอยู่นะแล้วลองมาคิดดูว่าไอ้น้ําตาที่ฉันไหลออกมาบางทีไอ้น้ําท่วมครั้งนี้ฉันยังไม่ร้องไห้เลยด้วยซ้ําโอ้โหแล้วถ้าต้องเจอน้ําท่วมไปอีกสักหนึ่งกับนี้ โอ้ไม่เอาแล้วพอเลิกครับเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายใครกำหนัดหลุดพ้นได้เพราะเบื่อหน่ายแล้วจะใครกำหนดลายกาหนดแล้วจะหลุดพ้นได้เอาให้เหตุการณ์นี้มันทำให้เราเป็นโสดาบันซะไม่ต้องไปเกิดอีกที่จะต้องไปเจอน้ำท่วมอย่างนี้อีกแล้วร้องไห้อีกครับคิดดูนะไอ้นิสสงสูงมามองดูน้ำที่ท่วมอยู่ หรือมันยังไม่เข้าบ้านเราไม่เป็นไรไปดูถนนโอ้โหมันค่อยคืบคลานมาน้ํามันมากเหลือเกินวิ่งออกก็ไม่หมดุตายแล้วท่าน้ำตาฉันมากขนาดเท่าที่ฉันแค่เห็นนี่ฉันก็แย่พอแล้วนะแย่พอแรงแล้วมาแล้งครับโอ้มันมันเราอาจจะมาเห็นโทษมากๆเลยของสังสารวัตรอืมจริงครับว่าถ้ามันจะต้องมาเจออย่างนี้อีกนะโอ้ยมันมันรายแรงมากครับ แล้วอันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เคยเปรียบเทียบไว้ในเหตุการณ์หนึ่งถามภิกษุภิกษุรูปหนึ่งไปถามว่าหนึ่งกับเนี่ยมันนานเท่าไหร่ครับพุทธเจ้าก็บอกอจะบอกว่าเท่านั้นปีเท่านี้ปีแสนปีล้านปีมันไม่ได้หรอกมันนานกว่านั้นมากนะภิกษุรูปนี้ก็ตือ้อตื้อถามต่อบว่าแล้วพอจะเปรียบเทียบให้ฟังได้ไหมี่ยพุทธเจ้าบอกได้เอาอย่างเธอเนี่ยเป็นชมาณะใช่ไหมเป็นพระใช่ไหมเอาเธอเนี่ยสมมุติว่ า, เ, าเกิด เอาเอานับจากนี้หนึ่งกลับไปเนี่ยนะหรือว่านับถอยหลังไปหนึ่งกลับก็ได้อะจากนี้นับถอยหลังไปหนึ่งกลับเธอเนี่ยเอาเฉพาะชาติที่เกิดเป็นคนนะเอาเฉพาะชาติที่เกิดเป็นคนแล้วถูกเขากล่าวหาว่าไปขโมยของแต่ไม่ได้ขโมยนะครับสมมุตินับถอยหลังไปหนึ่งกลับกลับเนี่ยชาติไหนเกิดเป็นคนนับมาดูมาแล้วถูกกล่าวหาว่าขโมยของทั้งๆที่ไม่ได้ขโมยแต่ถ้าชาติที่ขโมยของจริงๆแล้วถูกกล่าวหาเนี่ยไม่นับนะนับเฉพาะชาติที่ ขโมยของแล้วไม่ได้ทำถูกกล่าวหาแล้วถูกลงโทษด้วยการตัดอคอตัดคอแล้วเอาเลือดที่ไหลจากคอเนี่ยมารวมกันนะเอาชาติที่เกิดเป็นคนถูกกล่าวหาไม่ได้ขโมยแต่ไม่ถูกตัดคอก็ไม่นับนะนับเฉพา ะ, ะชาติที่ถูกตัดคอด้วยเหตุคือไปถูกกล่าวหาว่าขโมยของทงั้งๆที่ไม่ได้ทำนับเฉพาะชาติแบบนี้นะชาติอยงอื่นไม่นับเป็นหมาเป็นแมวอะไรไม่นับนะ เป็นเทวดาแล้วไม่นับนะนับถอยหลังไปหนึ่งกับเราจํานวนเลือดที่ไหลาจากคอเนี่ยคอมันก็ไม่ค่อยมีเลือดมากเท่าไหร่ละเพราะมไม่ได้อยู่ที่ตัวใช่ไหมมันอยู่ที่สมองอะไรต่างก็ประมาณสักลิตหนึ่งมั้งหรืออาจจะมากกว่าหน่อยมารวมกันทั้งหมดแล้วไปเปรียบเทียบกับน้ําทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่น้ําทะเลในมหาสมุทรสี่ยังน้อยกว่าด้วยซ้ำหนึ่งกับน้ำหมอกระทงครับโอ้เซว่ามันยาวนานมากเลยนะครับมากๆเลย แล้วถ้าเผื่อว่าเราจะต้องมาเกิดอีกเป็นอนเนกชาติอนเนกชาติโอ้โหมันนี่คือสังสารวัรนะสังสารวัตคือการเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอนเนกชาติโอ้ยมันมันไม่ไหววะไม่ไหว ม, มันยืดยาวนานมากเลยนะครับออในความรู้สึกโอาแค่ตื่นเช้ามากินข้าวเราต้องไปเข้าห้องน้ำนะอาตมาก็ทุกพอแรงแล้วนะครับออหรือว่าหรือว่าเวลาเราต้องมาปวดท้องเข้าห้องน้าเนี่ย โอ้นี่เป็นความทุกข์ที่เราต้องเจอทุกวันทุกวันแต่ทาไมเราไม่เห็นเหรอมไม่เห็นพอที่จะปล่อยวางได้งั้นทําไม่เห็นจะมาเอาน้าท่วมนี่แหละเอาให้มันเน้นเอาดูน้ําที่ท่วมอยู่ในบ้านคุณเอาหรือน้ําที่มันอยู่ถนนข้างนอกยังไม่ท่วมหรือถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเขตนี้ไปดูน้ําท่วมกรุงเทพน้ําท่วมมหดิยามันมากแค่ไหนแล้วฉัาน้ําตาเรามากขนาดนี้โอ้โหตาเราไม่หลุดออกมาแล้วหรอใช่โอแน่นอนเลย หลุดแล้วตายตายแล้วหลุดหลุดแล้วตายซากศพเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราเพิ่มพูนผืนปฐพีที่เป็นป่าช้าแล้วโอ้ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อพอเกิดแล้วตายแตแล้วเกิดอีกนี่เนะี่ครับโอ้ยมั น, ม, นมันแย่มากบางคน ม, ม, มันมันไม่เป็นอย่างนั้นไงไบางคนบอกว่าอุย้ยน้ำท่วมนี้ใช่ไหมฉันไม่ได้ทดําน้ําท่วมะ ค, ออคือบางคนจะมีความเข้าใจว่าสมมติเราไปรักคนนี้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเขาไม่รักเราตอบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทิ้งเราไปอย่างเงี้ยเออเราก็โทษเราเองก็กันเพราะเรารักเองช้ำเองใช่ไหมรักเองช้ำเองมันมีเพลงใช่ไหมเ ป, เป็นเพลงออแต่ว่าน้ําท่วมเราไม่ได้ทําฉันออไม่ได้ทําทำไมฉันต้องมารับความทุกข์ต้องหาคนมารับผิดออืครับเอาใครดีรัฐบาลใช่ไหมฝ่ายคา้านหรือว่าเอาเทวดา แกไม่ได้เอาหมาแมวในบ้านละกันแกต้องรับผิดมาเอหรือถ้าหาใครไม่ได้เอาคนใกล้ตัวนี่ละ ว, วะเอาผัวเอาเมียเอาลูกเธอทำอย่างนี้ได้ไงต้องมารับผิดอะไรต่างๆนี่นะมันเลยเป็นเรื่องที่ต้องด่ากราดกาแฟรกราแฟกระด้างกระเดื่องแสงความโกรธความขัดเคกงความไม่พอใจให้ปรากฏเพราะความที่ว่าไม่รู้ว่าไอ้น้ําตาตัวเองมันต้องมากกว่านั้นมากนักอยู่แล้วครับทีนี้ไอ้ความทุกข์ที่เราเจอทําให้ถึงก็ต้องด่ากราดเอยต้องหาคนมารับผิดเนี่ย ซึ่งจริงอันนี้อาตมาต้องบอกว่าความทุกข์ที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของคนอื่นนะคือมันไม่ได้เกิดจากเหตุภายนอกมันเกิดจากเหตุภายใน ค, คือมันเกิดจากเราเองถามว่าคุณทำไมมาทุกข์กับน้ําท่วมอ่ะก็คุณอนะ่ะคุณทําเองทําไมคุณไปทุกข์กับเรื่องนี้อาจจะบางคนอาจจะไม่เข้าใจต้องยกตัวอย่างให้ฟังครั บ, ค, รบคือ ค, ความทุกข์ของเราเนี่ย<จ>มันไม่ได้แปรผันกับสิ่งภายนอกนะอย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่สิงห์บุรีอย่างเงี้ยคนที่อุทยาเนี่ยน้าท่วมถึงชั้นถึงชั้นสองอ่ะชั้นสองครับ แต่คนกรุงเทพมาเปรียบเทียบกับคนกรุงเทพนะคนกรุงเทพอยู่ข้างในเนี่ยน้ำยังไม่ยังแห้งสนิทอยู่เลยนะแต่คนกรุงเทพฟังข่าวม า, จากจนกระทั่งเครียดเครียดแล้วมีความทุกข์นะ ค, ความทุกข์ที่เกิดจากฟังข่าวตรงนั้นโอ้ยมันมานี่แล้วนี่แลกเธอไปไหนอะไรยังไงเนี่ยบางทีทุกข์มากกว่าคนที่อยู่สิงบุรีด้วยซ้าจริงครับท่านอ่าแลคนสิงบุรีน้ำท่วมสูงระดับนั้นทําไมเขายังทุกน้อยกว่าคนกรุงเทพซึ่งน้ำยังไม่ท่วมเลยด้วยซ้ำบางส่วนครับโอ้ยก็เพราะว่าความทุกข์มันไม่ได้แปลผันตามระดับน้ํา มันไม่ได้แตลผลิตน้ำเอาเอางี้เอาใหม่คนที่อยู่หน้าเขื่อนอย่างสมมุติเขากรมทรัพยเขาเอาเขื่อนมากั้นใช่ไหมปรากฏว่าบ้านฉันอยู่ตรงหน้าเขื่อนพอดีเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นท้ายหน้าเขื่อนนะที่มันน้ําท่วมอยู่นะน้าน้ำน้ําสูงไงครับน้ําท่วมอยู่ระดับเอวอย่างเงี้ยเราก็หมแล้วบาลลองคิดดูคนที่บ้านเขาอยู่ตรงนั้นนะบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเลยนะหน้าเขื่อนน้ําท่วมอยู่ระดับเอวแล้วไม่อีกคข้างนึงมันแห้งอ่ะ อมท้ายเขื่อนอท้ายเขื่อนมันแห้งเว้ยเอ๊ะแล้วถ้าเราเปิดเขื่อนนี่ออกน้ํามันน่าจะลดนะอืมใช่ครับใช่ไหมเขาก็มีความคิดอย่างงี้ใช่ครับทีนี้คนที่น้ําท่วมระดับเอลอยู่เนี่ยถ้าเขาไม่ได้ฝึกจิตเเขาจะมีความคิดว่าโอน้ําท่วมระดับเอลฉันมีความทุกข์ถ้าน้ําฉันแห้งฉันจะทุกข์น้อยลงอืทั้งนี้ฉันทํำลายเขื่อนซะเปิดเขื่อนตรงนี้ออกให้น้ํามันไหลออกเข้าใจไหมถ้าน้ําไหลออกฉันจะได้มีความทุกข์น้อยลงคนทั่วไปจะมีความคิดอย่างงี้อืมครับเพราะกลว่าเปิด เปิดเขื่อนนะเปิดเขื่อนเฉยๆนะน้ายังไม่ลดเลยนะหมอระฟงไม่ลดครับเพราะมันเยอะมากมันยังไม่ลดเลยนะแต่มีความทุกข์ลดลงนะโอถูกไ้มจิตรู้จิตของเราให้ดีความทุกข์ของเราจะลดลงทั้งๆที่ระดับน้ํายังไม่ลดนะน้ํามันวิ่งออกเฉยๆนะแสดงว่าน้ําเนี่ยไม่ได้แปลความทุกข์เนี่ยไม่ได้แปลผันตามระดับน้ำไอ้พวกนักนิสตร์ก็จะมาเถียงบอกว่าโอ้งั้นต้องแปลผันตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของน้ําอเพราะน้ํามันไหลออกอยู่นี่ แต่ยังไม่ลด<ช>หรอก น, นะความสุขคุณจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวมันจะลดแล้วเว้ยเดี๋ยวมันจะลดแล้วเว้ยแต่มันยังไม่ลดเลยนะคุณมีความสุขเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งความทุกข์น้อยลงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนสมาการทางการนิสัยบอกว่างั้นความทุกข์เนี่ยต้องแปลผันตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของน้ําด้วยออ <ừ> เออถ้าอย่างนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของน้ํานี่อทางน้ำที่ระดับน้ํายังไม่ลดเขาก็จะเขียนสมาการขึ้นมาถ้าอย่างนี้น้ําที่มันกําลังลดลงเนี่ยระดับน้ํา ที่มันกําลังวิ่งอยู่นะมันทําให้ความทุกข์ของเราเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ถ้าระดับน้ําเริ่มลดลงระดับน้ําเริ่มลดลงนะ <c oughs> คื อ, ค, อคือน้ําไหลออกเนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงระดับน้ำว่าจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นใช่ไหม<ช>ทีนี้เขาก็จะบอกว่างั้นก็เปลี่ยนแปลงตามระดับน้ําที่กําลังวิ่งอยู่อย่างไรก็ตามความทุกข์ก็จะเปลี่ยนแปลงตามระดับน้ําที่ขึ้นหรือลงด้วยนะทีนี้ไอคนกรุงเทพที่น้ํายังไม่ท่วมเนี่ยมันก็จะ น้ำยังไม่แห้งน้ำยังไม่มีด้วยซ้ำยังไม่มานักคณิตศาสตร์ก็จะบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นความทุกข์นี่ก็เปลี่ยนแปลงตามระดับการเพิ่มขึ้นของน้ําด้วยหรือเปลี่ยนแปลงตามข่าวสารที่มาเขาก็เขียนสมการอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะทําให้ตลาดหุ้นตอนเนี้มรทวงอันนี้ออกมาต้องการจะลิงก์ถึงไปเรื่องของตลาดหุ้นหุ้นขึ้นหุ้นลงเลยคนมีความทุกข์ความสุขไม่เหมือนกันเขาก็จะพยายามจะไปหาสมการทางคณิตศาสตร์เป็นเทคนิคอลแอนนลลซิสว่ามันจะขึ้นจะลงอะไรยังไงอย่างเี้ยเเป็นรื่อง ภายนอกไปอืแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เราอยู่ในจิตของเราอยู่ในใจครับเราไปยึดถือสิ่งไหนสิ่งนั้นเป็นความทุกข์ทันทีถามว่าน้ําท่วมอย่างเงี้ยคนที่มีความสุขมีไหมมคีคนนักเรียนน่ะหมอรัตนพงศ์ที่เขาเลื่อนเปิดเทอมอ่ะเขาแฮปปี้จะตาย เขาไม่แคร์เลยนะว่าน้ําจะขึ้น <c oughs> จะลงจะไหลเข้าจะไหลออกข่าวสารจะเป็นไงได้เลื่นเปิดเทอมหนึ่งเดือนโอ้โหแฮปปี้กระโดโดโลดเต้นกันสุดยอดเลยคร <c oughs> นะ<ม>แต่พอเวลาไปเจอเข้อสอบไปเจอเข้อสอบแล้วไม่ได้เตรียมอ่านหนังสือเนี่ย <c oughs> เขาจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันที <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าความยึดถือในสิ่งสิ่งนั้นดังนั้นจึงต้องบอกว่าความทุกข์ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับสิ่งภายนอกอยู่ที่เราไปยึดสิ่งไหนมันจะเป็นสิ่งนั้น มันจะเป็นความทุกข์ทีนี้ถ้าเราอดทนได้นะความทุกข์มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้นะเปลี่ยนแปลงตามระดับความอดทนสมมุติถ้าเรามีความอดทนมากความทุกข์จะน้อยลงเรามีความอดทนน้อยความทุกข์จะมากขึ้นครับอย่างสมมุติคนบอกว่าฉันตรียมการรับน้ําท่วมที่หนึ่งเมตรท่สิบปรากฏว่าน้ํามันท่วมหนึ่งเมตรยี่สิบแล้วครับตอนมันท่วมมาตอนแปสิเซนเนี่ยความทุกข์เริ่มเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งพอมันท่วมเมตรยี่บความทุกข์เริ่มเพิ่มขึ้นอีก ท่วมถึงเมตรสี่เนี่ยโอ้โหตายแล้วตาทำไงดีทําไงดีอพอมันท่วมถึงเมตรหกสิเท่านั้นโอ้ยจบเลยปล่อยวางความอดทนหมดแล้วเราอดทนหมดแล้วนะต้องหาคนด่า อ, อย่างนี้นะ อ, ะอถ้าคุณอดทนหมดที่เมตรห้าสิบคุณจะมีความทุกข์มากมแต่ถามว่าถ้าคุณเมตรห้าเมตรสี่สิบแล้วคุณปล่อยวางได้เมตรห้าสิบคุณปล่อยวางได้คุณไม่ต้องทุกข์ก็ทําไมไม่ตอบปล่อยวางตั้งแต่ตอนนี้มันยี่สิบเซน อืมใช่ครับไ ป, รไปแบกทำไมเออไม่ปล่อย <ง S 2> วางตั้งแต่ตอน <c oughs> ที่มันมันยังไม่มาใช่ครับเพราะฉะนั้นระดับความอดทนก็คือระดับความอดทนกับการปล่อยวางนี่ก็คนละเรื่องกันอยู่ดีนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราอดทนได้มากความทุกข์เราจะน้อยลงเพราะฉะนั้นไอระดับความอดทนมันก็เปลี่ยนแปลงได้ระดับความทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงตามระดับความอดทนนะบางเรื่องอดทนได้มากอดทนได้น้อยก็ต่างกันไปบางคนนะแต่ละคนค บางคนอดทนไม่ได้แม้กระทั่งน้ำยี่สิบเซนบางคนอดทนได้แม้กระทั่งน้ำสองสามเมตรแล้วอยยังอดทนได้อยู่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ระดับความเป็นของเราระดับความเป็นของเราคุณอยู่ที่ระดับไหนคุณทุกเท่านั้นแล้วถามว่าอดทนแล้วจะได้อะไรจะได้อะไรครับอดทนแล้วก็จะได้ความที่จิตเป็นสมาธิได้ง่าย พระอาบอกว่าเมื่อเธออดทนต่อตาคู่จ ม, มูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าสู่สัมมาสมาธิได้ไง่ายอ๋อนี่ด้นี่ส่งนะครับใช่เพราะฉะนั้นเราใช้สชเหตุการ์เนี่ยให้เห็นว่าโอ้ยปริมาณน้าเนี่ยคืออาจมาเห็นน้ําที่มากขนาดนี้เนี่ยทําให้เรานึกถึงการเกิดแล้วเกิดีกเป็นอเนกชาติครับโดยที่เราไม่ต้องระลึกไว้ก่อนอเพราะจิตเรามีสติอยู่ในอจิตมีสติอยู่ในจิตนะนะครั บ, รบแล้วก็เราไม่ได้สแสวงหาภายนอก ไม่ต้องเที่ยวหารัฐบาลใหม่การปกครองใหม่รัฐไทยใหม่รัฐไทยเก่าระบบกษัตริย์ระบบประชาธิปไตยอะไรไม่เป็นไรมันอยู่ที่กิเลส ข, ของคนอยู่ที่ความยึดถือของเรารถ้ากิเลสเรามากความยึดถือมากเราจะยิ่งทุกข์มากถ้ากิเลสเราน้อยความยึดถือน้อยระบบอะไรมันดีทั้งนั้นต่อเป็นระบบกษ<อ>ัตริย์ระบบรัฐไทยใหม่กฎหมายใหม่อะไรนิติรัฐประชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชถ้าคนกิเลสน้อยนะดีทั้งนั้น ทุนนิยมสังคมนิยมอะไรต่างๆดีหมดเลยถ้าคนกิเลสน้อยให้ระบบทุนนิยมระบบการปกครองแบบไหนก็แล้วแต่นะถ้าคนยังกิเลสมากอยู่ตัณหามากอยู่นะมันมันมันโอ้ยชิบหายได้แย่ได้ความร่วมสลายได้ใช่ครัอย่างกรุงโรมอย่างเงี้ยทําไมมันร่มสลายเพราะคนกิเลสมันมากขึ้นแล้วระบบเป็นการปกครองที่ดีมากอะไรต่างๆทําไมอเมริกาตอนเนี้ยมันจะชาติมันจะล่มจมแล้ว เพราะความนี้มันมากทางทั้งทง<ช>ี่ระบ บ, บทุนนิยมดีประชาธิปไตยดีก็เพราะคนกิเลสมันหนาทําให้มันมันพลิกผันไปเป็นอย่างอื่นครับ อ, อต่อให้สมบูรณ์ญาสิทธิราชถ้าผู้นําดีอะไรก็ดีครับต่อให้ระบบประชาธิปไตยแต่ถ้าคนที่เป็นผู้นําดีอะไรมันก็ดีเพราะฉนั้นแทนที่เราจะไปแก้ข้างนอกใช่ไหมแก้ที่ระดับน้ําแก้ที่รัฐบาลแก้ที่ระบบการบริหารจัดแก่ที่จิตของเราแก้ที่กิเลสถ้าแต่ละคนแต่ละคนนะ ทุกๆคนนะกิเลสน้อยลงกิเลสน้อยลงตัณหาน้อยลงความชั่วน้อยลงนะมันจะดีขึ้นมาทุกอย่างเลยอืมดีโดยอัตโนมัติเลยนะครับทีนี้ไอ้เรื่องตรงเนี้ยเราจึงต้องทําความเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นที่อยู่ในสิ่คนที่ได้รับการฝึกนะได้รับการฟังธรรมะเนี่ยเขาจะย้อนเข้ามาในตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องทวนกระแสครับแทนที่จะไหลไปตามกระแสให้น้ําพัดพาไป ตกน้ำก็ไหลไปตามน้ำไฟก็ไมไป่ไปตามไฟถ้าเราเป็นคนที่ทำความดีอยู่ตลอดนะมีบุญมีกุศล น, นะเราจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม่หมายความ<อ>ว่าเราจะไม่ไหลไปตามกระแสกิเลสนะมีน้ำไหลามาเนี่ยเราจะไม่ไหลพัดพาไปเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติไม่ไหลถูกพัดพาไปทำให้มีความทุกข์มากขึ้นอย่างนี้นะไม่ต้องพูดถึงัยแค่น้าหรอกไฟลมทาอะไรเราไม่ได้ จิตของเราจะไม่สะเทือนจิตของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของกันทั้งห้านั้นเมื่อจิตไม่สะดุ้งเนี่ยไม่สะดุ้งไปตามความเปลี่ยนแปลงของกันทั้งห้านี่ยเราจะเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้อืไม่ว่าภาวะภายนอกจะเป็นอย่างไรใช่ครับ ท, ทีนี้ว่าเอานี่แค่เรื่องระดับใหญ่โตถึงระดับประเทศชาติการปกครองระบบเศรษฐกิจใช่ไหมเอาหมดรเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวหน่อยสมมติเราไปร้านอาหารนี้คุหมอครับผครับเเราพูดถึงเรื่องพวกนี้มาหมดแล้วนะ เรื่องที่ว่าไม่ให้จิตของเราไหลไปตามกิเลสให้ย้อนเข้ามาในตัวระดับความอดทนเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงอยู่ในจิตเนี่ยครับโ oh, อ้นี่พูดได้เนี่ยพูดได้ไม่มีปัญหาจจแต่เจอจริงจอจริงเอาง่ายๆคุณไปร้านอาหาร่รไปร้านอ่าไปร้านข้าวหน้าไก่อ ย, อย่างเงี้ยนะสั่งข้าวหน้าไก่มาจานหนึ่งแล้วสั่ง ก, วก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยสั่งข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็สั่งข้าวเกาเหลาไก่แล้วก็ผลไม้ต่างๆปรากฏว่าสั่งข้าวหน้าไก่เขาเอาข้าวหน้าเป็ดมาให้ สั่งก๋วยเตี๋ยวไก่ก็เอาก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาให้สั่งข้าวมันไก่มันเอาข้าวมันเป็ดมาให้สั่งเกาเรลาไก่มันเอาเกาเรลาเป็ดมาให้ผลไม้มันก็ยังแถมเส้นผมมาให้อีกสี่ห้าเส้นเห็นเป็นข้าวหน้าเป็ดข้าวมันเป็ดข้าวก๋วยเตี๋ยวเป็ดเกาเรลาเป็ดเนี่ยมันก็เลยเซับเซ็งอะไรหมอละพงเซงเป็ดว่าเราทําไมสั่งไก่มันได้เป็ดขนาดผลไม้นะมันไม่มีเป็ดสักชิ้นเลยนะแต่มีเส้นผมเรายังเซงเป็ดได้ อครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเราต้องการอย่างนี้มันจะได้อีกสิ่งหนึ่งใช่ไหมเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจพระพุทธเจ้าใช้คําว่าประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือบัรากจากสิ่งที่พอใจสิ่งที่พอใจคืออะไรก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวมันไก่ข้าวหน้าไก่เกาเหล้าไก่ผลไม้ที่ไม่มีเช่นผมแต่ปรากฏมันไม่เอามาให้เรามันเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันก็จีนครับนี่แหละคือความทุกข์ อทุกทั้งหมดนี่นะไม่ว่าจะเรื่องน้ําท่วมเรื่องสั่งข้าวหน้าไก่แล้วได้ข้าวหน้าเป็ดรัฐบาลเป็นอย่างนั้นฝ่ายค้านเป็นอย่างนี้ทําไมสอสอเป็นอย่างนั้นคนดีหายไปไหนหมดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นความทุกข์ที่พูดได้เป็นอนเนกประยายโว้ยพูดทั้งชาติามาพูดไม่จ บ, จบพูดจนค อ, อหลุดออกมาก็ไม่จบพูดจนน้าลายแห้งก็ไม่จ บ, บแต่พูดรวมได้อย่างเดียวคืออเริยสัตสีพูดแค่ทุกเนี่ยมันรวมหมดเลยพระเจ้าบอกว่าอเริยสัตสีเนี่ยเป็นธรรมอย่างเดียวนะ ที่ครอบคลุมหมดแต่การอธิบายของมันเนี่ยมีได้อเนกปริยายครับมีได้อเนกปริยายเพราะฉะนั้นเราอาจจะอธิบายยังไงม้วนรวบเข้ามาอยู่ในอริยสัจสีหมดไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอริยสัจสเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความเป็นไปนโดยประการอื่นเป็นของคงที่เพราะฉะนั้นอริยสัจสเนี่ยเป็นอสังขต ธ, ธรรมคือเมื่อตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอย่างอางื่นปรากฏ ดูกไหมครับที่เราพูดว่าอริยสัจอรยสัจีเนี่ยนี่และอริยสัจีเนี่ยเป็นอสังขต ธ, ธรรมที่อยู่ในปัจจุบันนี้คือคือต้องพูดอย่างนี้เลยนะว่าอสังขตธรรมเนี่ยอยู่ที่นี่เราเห็นได้เดี๋ยวนี้สังขตธรรมเราก็อยู่ที่นี่เราก็เห็นได้เดี๋ยวนี้สมมติการเกิดการแตกความจริงที่เราผมเรางอกอย่างเงี้ยนะไอ้ผมงอกเนี่ยเป็นอสังขตเป็นสังขตธรรมใช่ไหมคือตั้งอยู่แล้วมันมีความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนไปความดับแต่อริยสัจีเนี่ยที่อยู่ในหมวดของทุกเนี่ย คือตัวอริยสัจสีเนี่ยนะเป็นอะสังขต ธ, ธรร ม, มคือเมื่อตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอย่างอืปรากฏอริย ส, สัจีก็เป็นอริยสัจี่ของมันอยู่ตลอดเวลาต่อให้ความทุกข์จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไหนมันก็ไม่หลุดออกจากความเป็นความทุกข์เพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรมาจึงบอกว่าฉลาดมากๆเลยในการจะกําหนดบทเพียนชนะให้ไม่ขัดกันไม่ค้านกันไม่ผิดกันครับเพราะฉะนั้นอย่างมากอย่างเนี้ยไอ้ที่เราบอกว่าเราไม่ด่ากันไม่ว่ากันอันเนี้ยเป็นอ่สังขตธรรมเลย คุณปฏิบัติอยู่ซึ่งอาศังกตธรรมแล้วไม่ต้องรองรให้จิตระเบิดตุ้มเข้าถึงนิพพานเป็นพาลอาหัารอะไรต่างเลยพระอาหารไปแล้วนั่นถึงเจอถึงอาศังกตธรรมอันนั้นก็ใช่แต่อาศังกตถธรรมก็หาได้ตอนนี้อโดยที่ไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องรอเลยครับอืมเพราะว่าเมื่อตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏอันนี้พูะเาพูดไว้เองนะนี้เป็นทุกนี้เป็นเหตุเกิดทุกนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกนี้เป็นทางนำเ น, นยให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกอริยสัจสีเนี่ยทั้งสอย่างเนี้ยเป็นของคงที่ ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความเป็นไปโดยประการอื่นอันนี้คืออะไรคืออสังคต ธ, ธรรมรใช่ไห ม, มเพราะฉะนั้นไอ้น้ําท่วมที่เราเห็นน้ําไหลไปน้ําขึ้นน้ําลงคนด่ากันคนว่ากันอะไรต่างๆนานาเ น, น, นี่ยพวกเนี้ยถ้าเรามองให้เป็นอสังคต ธ, ธรรมก็ได้มองให้เป็นสังคต ธ, ธรรมคุณก็มองได้ถ้าคุณมองเป็นสังคต ธ, ธรรมคุณก็จะทุกข์คือหมายความว่าถ้ามองเป็นสังคต ธ, ธรรมแล้วคุณไม่ปล่อยวางนะ <C la ven> คุณยังสะดุ้งไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นคุณจะเป็นทุกข์ <äm> แต่ถ้าคุณเห็นสภาพของมันแล้วใช่ไหมรู้ว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยคุณจะข้ามก้าวมาสู่ในความเป็นอสังขตะ <evaluation S 1> ครับพะก้าวมาสู่ความเป็นอสังขตะแล้วเป็นของคงที่ไม่เปลีล่ยนแปลงละปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สะดุ้งไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งสิ่งนั้นสบายที่สุดโลกแล้ว <C la ven> อน้ำท่วมก็ไม่ท่วมใจน้ำไหลามาเราก็ไม่ไหลไปตามน้ำ ตกน้ำไม่ไหลว่างั้นเถอะอ๋อคืออืมน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่สัปดาห์ต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องว่าเขาด่ากันเขาว่ากันนะเราจะทำยังไงซึ่งเรื่องการด่ากันว่าเนี่ยคือคำว่าด่าคําว่าเนี่ยนะมันเป็นคำปัจจุบันแต่จริงๆมันแยกได้สองอย่างนะคือการ<อ>เตือนให้กลัวบาปนนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือว่าสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจานี่ก็ส่วนหนึ่งซึ่งคิดว่าจะมาพูดในตอนต่อไป ตอนที่45เนอะเพราะฉะนั้นในตอนที่44คุณหมอรัตพง์มีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับในเรื่องราววันนี้ไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าละเอียดชัดเจนดีมากเลยครับสรุปว่าเราก็พูดถึงเรื่องของการมีสติอย่างไม่ลืมหลงในระยะที่ละเอียดขึ้นไปเราพูดถึงเรื่องความที่รักเองช้าเองคุณจะทํำยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราความทุกข์ของเราเราทำเองไม่ต้องไปโทษคนอื่นเลยครับแล้วก็เราพูดถึงสิ่งที่เป็น สังฆาตอสังฆาตะแล้วก็อย่าไปเสียงอะไรมากมันก็เป็นทํมชาตของเขาสั่งเข้าน้าเป็ดนั่นเองก็เป็นอย่างนั้นแหละนะแล้วก็ค่อยมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับต้องกราบมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูตรอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไห่โศกรับ